ขอกราบกล่าวว่าพระรัตนตรัยพระพุทธประดันะสมขอเอาอกาศจากกนัสมทุกรูปแล้วก็ขอเริญพรมในชีและญาติโยมทุกทกท่านครั บ, <c oughs> <c oughs> บก็ดีตามมาก็ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัาป่าสุขโตแห่ง น, นี้ ก็ได้มาหลายปีแล้วก็ตองมาใหม่ก็ก็อย่างวัดที่เป็นธุรากันดานใหม่ก็สะดวกสบายห่างก็น้อยน้อยแต่ก็พัฒนาเจริญได้ดีแล้วก็มีคนญาติยอม ตอนนี้ก็รับได้หลายคนแม้ว่าร้อยคนส0 0รอยคนก็มารับได้เออเป็นการพัฒนาฐานด้านวัตถุฐานด้านวัตถุนี้ก็สำคัญถ้าเป็นประโยคใช้ได้ประโยคนะก็มีไฟมีน้ำ แต่ก่อนก็อาบน้ำจากสระาตากน้ำกันอาบน้ำที่สระน้ำที่เราเห็นอยู่ที่สร ะ, ะน้ำก็อาบน้ำกันสนน้ำกันอาหารก็ก้าต้มเช้าอินกันหน่อยๆนอย ที่อาศัยก็ไม่ก่อยมีบ้านที่ก็นอนในป่ากันน้ำไฟฟ้ า, าไม่มีก็จุดเทียนก็เป็นบรรยากาศเป็นพาธรรมชาติธรรมชาติ ในปัจจุบันนี้ก็ดีไฟฟ้ามีน้ำน้ำาด่มแล้วก็กอง น, น้ำได้ด้วยก็ปลอบไปมีไฟก็จะได้ทำงานกระสะดวกแม้ว่าเป็นกลางคืนก็ทำงานกันได้ถ้าจุดเทียงก็มันก็ ทำงานได้บ้านแต่ว่ามันก็ไม่ก็อยสะดวกก็ยอมอยากยอมยอมยาก ม, มาปฏิบัติก็ของในเมืองก็มาไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่สะดวกแต่สมัยนี้ก็ดีแล้วพัฒนาได้แล้วเจริญได้แล้วก็ เป็นโอกาสที่เปิดเผยให้ทุกๆกล่องก็มาศึกษามาปฏิบัติทำได้เป็น เ, เข้ามาดูเธอก็เป็นธรรมะก็ต้อนรับเสมอแม้ว่าหลายคนมาได้ก็ได้ ก็ม <c oughs> ันเป็นการพัฒนาตามด้านวัตถุใจประโยชน์แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจนี่ก็จริงๆแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่เป็นที่เรียบร้อย เ, เป็นที่เรียบง่ายๆเป็นธุระกันดาร ก็ได้รู้ว่าอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเป็นป่าคอนกรีตก็ป่าไม่ใจเป็นธรรมชาติตันนี้เป็นป่าคอนกรีตนี่ก็ก็จะเป็นโอกาสที่ดีจะได้ศึกษาธรรมะหรือว่าจะดูตัว ได้ด้วยเพราะว่ามันสิ่งอ่าาฟสิ่งเอที่เป็นสีเป็นเสียงหรือกลิงหรือว่ารสชาติอออร่อยมาหลากหลายที่ในเมืองถ้าเราเผลอไปก็จะ เป็นเกิดตงหากประทานทันทีฉะนั้นตอนนี้ก็ดีถ้าอยู่ในเมืองก็ปฏิบัติได้ถ้าอยู่ในป่าก็ปฏิบัติได้ไม่ี่แต่เราก็มีสติให้รู้สึกตัวว่าทำอะไรากัน ว่าอะไรกันหรือว่าคิดอะไรกันก็รู้สึกถ้ามีสติก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ประโยชต่อจิตใจไม่ให้เข้าออมาใส่ตัวได้เราก็ละมัดละวันเป็นอ่า ไม่หรือไม่ได้สิ่งที่เป็นพิษไปเข้ามาอยู่ที่ตัวได้ป้องกันได้เป็นสติเป็นยามก็เลือก สิ่งที่ดีสิ่งที่เชื่อก็รู้ทันทีถ้าเข้ามานิดนึงก็เราก็ปลอยไปได้มันสติก็กำกับสติก็รู้ตัวรู้ตัวมันก็เป็นพิษไปเป็นสามอย่างก็เป็น กเป็นความอยากแล้วก็ความหลงอันนี้ก็ทำให้เราก็มันได้ไม่สบายใจไม่สบายกายมันเป็นพิษร่างกายจิตใจเสื่อมโทรมได้ แต่ว่าเป็นสติรู้สึกตัวรู้สึกแล้วก็จิตงั่นก็เป็นปกติแม้ว่าจิตมันปนแตมไปนิดนึงก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกไปรู้สึกไป ก็สมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นลำดับเป็นธรรมชาติสมาธิเป็นความสงบและทีนี้ก็ไม่ต้มแผ่นลารกรรมาถ้าแผ่นนั้นก็เป็นหินทับยญ้าก็อาจจะไม่ได้ตัดไปหมด แต่ถ้าเราก็เอาแต่รู้เห็นก็ไม่ได้เป็นแล้วมืนกับว่าความมืดนี่มาเราไม่ต้นงซื่อกับมันเอาแต่จุดไฟก็ความมืดถายไปเองไม่ต้นสซื่อไม่ต้อก็ดกีก็ตันหนีไปได้ เอาเตจุดไฟความมืดก็หายไปความหลงหายไปเป็มฝันในใจก็หายไปเพราะว่าตื่นอยู่แล้วตื่นตัวอาตื่นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อยู่ในฝัน อยู่กับสวา่างสวยัยมันจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นได้สมาธิก็มาเป็นธรรมชาติเป็นสมาธิก็จิตก็แนวแน่ในอารมณ์ต่าง อารมณ์ทุกสินทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจันก็เราก็ไม่โงไหว้วก็อยู่เป็นสงบสบายได้ใจก็อยู่กับใจก็มั่งกลมอยู่กับกิจ จะวัดทำอะไรกันก็มีสมาธิได้ด้วยสติก็รู้ตัวจิต ก, กับเยอะจิต ก, ก็อยู่กับเรื่องใยก็อยู่กับกิจก็อยู่เป็นด้วยความรู้สึกตัวรู้ตัวไป แต่น้าก็คขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าร้องหรือว่าคันหรือหิวน้ำหิวข้าวก็รู้สึกรู้สึกมันก็เป็นธรรมชาติทางกายก็เราก็ไม่ได้เป็นธาตุของมัน เพาเวทนาก็ถ้าเห็นแล้วเฉยๆถ้าเป็นแล้วก็ก็มันก็ทุกข์ถ้าเป็นแล้วก็เกิดตังหาประทานไปอปอบชาติแล้วก็เจรามรณะความเป็นตัวตนนี่ก็มาส่วมซอมเราก็กลัวงามบน แล้วก็ทุกใจหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นเป็นตามตามแต่ว่าเราก็รู้ทุกกรเวตานาตาง่ายตางใจเพราะว่ารู้ถ้ารู้แล้วก็เป็นปัญญาได้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทุกเป็นอย่างนี้เป็นอาการเป็นวัตถุ เป็นรูปเป็นนามก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรารู้เห็นให้ชัดๆก็เป็นปัญญากันได้เวทนาก็ช่วยเหลือได้ดีมันเป็นสิ่งที่เราศึกษาเข้าใจธรรมะว่เาเป็นทุกขกเบเวทนาหรือสุขกับเวทนา ทุกกรรมสุกเวธนาก็ตามเราไม่ร้มแม้ว่าเป็นอาการความเป็นสุขนี้ก็แก่หรือไม่ต้องเอาไม่ต้องอยากไม่ต้องเป็นไม่ต้องอยู่กับมันก็เอาแต่รู้สึกรู้สึก ก็เวทนาเต่านังเอนก็เกิดเป็นสัญญาก็เป็นไปตามด้วยกันก็สัญญาความเป็นสิ่งที่เป็นภาพหรือว่าสิ่งที่เป็นคิดว่าเป็นนี่อันนี้เป็นกำหนดเป็น บัญญัติไปก็มันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้นสางเป็นจิตมังกรเต็มไปว่าเป็นปิปผลิตปิปราชก็ไม่เป็นเอาแต่สัญญาเป็นนุกเป็นกิจเป็นเอารู้ ใายได้คิดไปจิตมันก็ปรุงเต็มไปรู้เฉยเยรเฉยเยก็สังการก็เกิดขึ้นบินยังก็เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นกรรมเป็นเป็นกดกรรมของเรา ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้จักเป็นผมเป็นไม่ใจเป็นเหตุเอาแต่เราปฏิบัติก็จัดการกับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัย ก็จะแ ก, ก้ไขได้ศึกษาได้ในต้องเป็นทุกได้แปลงอาการแปลงเกิดป็นเกิดก็เป็นธรรมชาติอาการธรรมชาติอยู่ก็เป็นธรรมชาติแปก็หายไปตับ ไปเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังอนิจจัน์ก็ไม่ใจตัวไม่ใจตนเป็นแก้รูปเป็นนามเป็นอาการเป็นเละวัตตุก็ให้เห็นไปเห็นไปก็รู้อยู่ว่าเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่าง แรงกดราเ บ, บียบกฎธรรมชาติงดรรมก็ก็เข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นนี่ก็เป็นปัญญาเป็นทุกสิ่งทุกางามเป็นประสบการณ์ของเราเป็นปัญญาได้ไม่ว่าเป็นอาการด้านนอกเป็นอา คาเป็นธรรมชาติแป็นร้องความร้องความหนาวก็อาการทางกาย่างใจก็ร้อนบานทีก็ร้อนใจบานทีเป็นความเย็นที่จิตใจถ้าเราเผลอไปร้องก้นอีก ก็เป็นธรรมชารู้เาแล้วก็ตับไปเป็นสงสบสบายขึ้นอีกก็เป็นโอกาสที่ดีพวกเราก็จะได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมอาการที่เกิดขึ้น ก, ก, ก็เห็นการดาบไปก็เห็นทุก็เห็นสุขก็เห็นยินดียินได้ความดีความเชื่อก็เห็นก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติของกายของใจเห็นรื่องเป็นนามเร่งหั ธรรมชาติหลายยานก็เราไม้ใหญ่เป็นทาตของมันก็เราก็เป็นเจ้าของผู้แหงเป็นป่าวะเป็นที่แหนให้ชัดขึ้นชัดขึ้นอยู่ที่ไหนเดินยนืนนั่งนอนเป็นอิริยาบถ ยังไงก็เห็นก็ไปไหนคุยกันกับเพื่อนกับครอบครัวก็เห็นใจด้วยเห็นกายด้วยหรือสึกตัวก็อ่านด้านวัตถุก็ให้พัฒนาก็ดีต่ทางด้านจิตใจอย่าลืม พัฒนาไปด้วยก็พัฒนานี้ก็เป็นความเจริญเป็นเจริญสติเจริญภาวนาเกิดปัญญาเกิดมรรคปรยิพทานเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดขึ้นในชาตินี้ในโลกนี้ก็เป็น จุดมุ่มหมายทุกคนทุกคนเราก็การดีมาสาัมปัสมาอยู่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ได้เป็นท่าของจิตใจก็มันเป็นศึกศึกษาเพื่อที่ศึกษาปฏิบัติธรรม กอเป็นเป็นตามไปอิสระที่แท้จริงความอิ ส, สระก็ไม่จะอยู่ในธาตุของมันจิตใจก็ตามหรือว่าบรรยา ก, กาศด้านนอกด้านนอกไปก็ให้รู้ เป็นผู้รู้ผู้แห่งก็ดีนะครับก็คิดว่าพอสมกวงแก่เวลาก็สไตนี้ก็ให้ทุกๆท่านมาเจริญศึกษาพัฒนาทุกทุกคนเธอ